ทำไมไม่หัดพูดให้เต็มว่าสิกขาบรรยายเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2549มีอะไรสงสัยไหมเลยบอนถ้าไม่มีอัตมาก็คุยไปก่อนน่าเชิญเลยวาผมขออนุญาตกลับเรียนถามถึงเรื่องของกิจที่มีต่ออริยสัจสีนะครับ อยากจะเรียนถามอย่างนี้ว่ากิจในอริยสัจ4ีที่มีอยู่ทั้งหมด4ข้อคือกิจกำหนดรู้กิจละกิจทำให้แจ้งและกิจเจริญหมายความว่าเราจะต้องทำกิจทั้ง4นี้ให้ครบทั้ง4ี่กิจหรือเปล่าครับผมเคยได้ยินบางท่านอาจารย์ท่านได้สอนว่าให้ทำกิจกำหนดรู้อย่างเดียวก็ถือว่าครบถ้วนเพียงพอแล้วเพราะว่าเมื่อทากิจในการกาหนดรู้ต่อไปก็จะเกิดการละ ทำให้แจ้งแล้วก็ไปถึงมร์เองในข้อแรกนี้ผมขอเดี๋ยวถามเท่านี้ก่อนครับเลยพออันนี้เป็นเทคนิคการสอนของพระอาจารย์ความจริงมันอยู่ในมร์ปฏิบัติภาวนาอย่างเดียวคือทุกเรากำหนดรู้เวลาเราไปกำหนดรู้นะก็คือเราอยู่ในข้อมร์นะคือปฏิบัตินะ่มันอยู่ที่ข้อเดียวคือข้อมร์ข้อที่ส ก็ข้อที่4เป็นข้อปฏิบัติไนดะ้การปฏิบัติลงมือทำก็คือข้อสนีะ่ไอ้ข้ออื่นมันไม่เป็นการปฏิบัติหรอกพอเราปฏิบัติในข้อสเนี่ยเราก็กําหนดรู้ทุกข์เราก็กําจัดสมุทยัยเราก็ประจักษ์แจ้งนิโรธพร้อมไปเองแต่สิ่งที่เราทําคือเราทําอยู่ในข้อสข้อมักฤทธิ์ไรศิกขาแต่เราพูดตามแนวรีสัดก็คือเราปฏิบัติตามมัก เพราะฉะนั้นท่านจึงใช้การปฏิบัติก็อยู่ที่มรคนเดียวเมื่อท่านปฏิบัติไปตามมรและอันอื่นมันมาตามกันหมดบอกว่าไปกําหนดรู้ทุ ก, กันที่จริงก็คือปฏิบัติอยู่ในมรนั่นแหละรู้กาหนดรู้ทุกอ่ะคือเราปฏิบัติอยู่ในมรนั่นแหละโดยการปฏิบัติตามมร ก, ก็คือเจริญปัญญาเมื่อเจริญปัญญาถูกต้องไอ้ปัญญานะ่ะมันก็รู้ทุกน่ะสิใช่ไหมเลยว่ามันก็ได้มาในตัวเนี่ย คือท่านบอกเพื่อให้จับจุดให้ถูกว่าหน้าที่แต่ละข้ออันใดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําหน้าที่อย่างไรแต่เวลาเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดหน้าที่นั้นเนี่ยเราทําที่ข้อที่สี่ท่านจึงบอกว่าภาเวตับพังข้อสี่ก็คือต้องปฏิบัติะนั้นท่านอธิบายท่านก็จะอธิบายอย่างเงี้ยก็ปฏิบัติไปสิปฏิบัติตามมาร์กแล้วคุณก็จะได้กําหนดรู้ทุกข์และคุณก็จะ ละสมุทรไทยละวคุณก็จะบรรลุประจักแจ้งนิโรธไปด้วยพร้อมกันมันไปเองหมดเลยกระบวนการทั้งหมดมันไปขณะเดียวกันมันไม่ใช่แยกกันนะคือถ้ามันทําถูกเนี่ยในขณะเดียวกันที่ทําในมรดเนี่ยมันได้สี่ข้อถ้ามันไปแยกกันก็ยุ่งหดสิจะมันก็กลายไปว่าจะต้องไปทําอันนี้ทีท่านนันทีมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ท่านแยกเพื่อจะให้เราเนี่ย มีความชัดเจนการวิเคราะห์นี่ไม่ใช่เป็นแยกส่วนแล้วก็แยกกันไปเลยแต่แยกเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วจะได้ปฏิบัติด้วยความจะกแจ้งตระหนักรู้อยู่ในใจและเวลาปฏิบัติจริงก็ทำตามกระบวนการก็คือเจริญมัช ก, ก็คือไตรสิกขานั่นแหละปฏิบัติตามสีสวัสดิปัญญา ก็เดิเฉพาะไอ้ตัวปัญญาจะเป็นตัวกากับตลอดพอได้แล้วนั่นเลยพ่อไ่้ตัวเนี้ยก็ตกลงมาอยู่ในข้อมักนี่แหละแต่ทีนี้ที่พูดไปเมื่อกี้นะเป็นการพูดแบบกว้างๆที่จริงคำถามนั้นมีแง่ที่น่าพิจารณาอีกเกี่ยวกับถ้อยคำด้วยคือคำว่ากำหนดรู้ทุกเนี่ยเมื่อใช้ในการปฏิบัติเนี่ยต้องระวัง ไม่เอามาสับสนกับเรื่องของคำว่ากำหนดรู้ทุกข์ในคำว่าปริญญาซึ่งเป็นกิจในอริยสัจข้อที่หนึ่งคือพระอาจารย์เวลาท่านสอนว่ากำหนดรู้ทุกข์โดยทั่วไปเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติในเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานซึ่งมันเป็นเรื่องของมักโดยตรงเลยคือเป็นการปฏิบัติเป็นการเจริญภาวนา ไม่ใช่เรื่องของปริญญาในทุกนี้แต่เป็นเรื่องของมักแท้และคำว่ากำหนดรู้ในที่นี้เป็นคำในภาษาไทยที่สื่อความหมายไปยังภาษาบาลีโดยไม่ใช่หมายถึงปริญญาแต่เป็นคาแปลของคำว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองสติกำนดสัมปชัญญะรู้ก็เรียกว่ากำหนดรู้กาหนดรู้ทุกในที่นั้นทุก บางทีก็จำเพาะก็คือทุกขเวทนาเท่านั้นเองก็หมายความอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นเวทนานุปัสนาสติปฐานก็กำหนดรู้ทุกขทัดสุขก็กำหนดรู้สุขกำหนดรู้อัทุกขมสุขที่ไม่สุขไม่ทุกเฉยเฉยอันนี้เป็นเรื่องของการกำหนดรู้เวทนาเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะอันนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติสติปฐานเป็นเรื่องของมรรคแท้และนั่นแหละ ก็จะอยู่ในกระบวนการปฏิบัติโดยตรงซึ่งเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้นั่นแหละด้วยการปฏิบัติตามมรรคก็จะมีความก้าวหน้าในการปริญญาทุกขระหารนาสมุทยัยสัจจิกริยานิโรธในขณะที่ภาวนาของมรรคหรือมอรรคภาวนาก็จเจริญการหน้าไปด้วยหรือเป็นตัวที่ดําเนินไปโดยตรงแล้วก็ทําให้ตัวอื่นก็ ก้าวหน้าไปไปได้วยกันอย่างที่พูดไปแล้วก็เอาไป็ว่าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทําให้กระจ่างชัดอีกทีหนึ่งแยกแยะว่าที่พระอาจารย์ที่สอนที่ว่ากําหนดรู้ทุกขอะไรเนี่ยในที่นี้ต้องแยกให้ชัดว่าโดยปกติแล้วมันเป็นเรื่องของปัญหาภาษาไทยที่อาจจะทําให้เกิดความสับสนว่ากําหนดรู้ในที่นี้ไม่ใช่ปริญญาไม่ใช่เรื่องของ หน้าที่รือกิจในอริยสัจแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อเวทนานุปัสนาโดยที่คำว่ากำหนดรู้นั้นหมายถึงสติสัมปชัญญะและทุกในที่นี้ก็หมายถึงทุกขเวทนาก็เลยกลายไปว่ามีสติกำนดสัมปชัญญะรู้ต่อทุกขเวทนานั้นก็ตอบแค่นี้ก็เพียงพอขอจเจริญพร ขออนุญาตกราบเรียนถามอีกข้อหนึ่งครับผมสนใจในหัวข้อกัตยานที่ว่าทํากิจในอริยสัจได้แล้วจะหมายความว่าอย่างไรครับเราจะสังเกตว่ามีอะไรเป็นเครื่องหมายให้ทราบว่าการปฏิบัติในอริยสัจ4ีนั้นเนี่ยเราปฏิบัติสําเร็จจนเป็นกัตยานแล้วขอกลับเรียนถามครับก็นเนี่ยก็เอาง่ายๆตอบแบบง่ายก็กำปันทุบดินใช่ไหม ก็กําหนดรู้ทุกแล้วก็รู้แล้วรู้เท่าทันเข้าใจเรื่องขันธ์หเป็นยังไง เ, เนี่ยนีซึ่งโยมก็จะรู้เป็นขั้นๆไปอย่างนักเรียนอภิธรรมก็จะรู้ว่ารูปนามเป็นยังไงใช่ไหมกำหนดแยกได้เป็นนามารูปะได้ยานขั้นนี้เป็นนามารูปะปริเช ท, ทยานให้แยกรูปแยกนามได้เลยไปว่าเป็นขั้นๆไปเลยเนี่ยก็คือเวลาเอาจริงนี่ถ้ามาว่าไปตามขั้นเนี่ย ก็ไปแยกยานละเอียดไปอีกเช่นวิปั ส, สนาญาณ9โซรสญาณญาณ16แล้วก็ไปแยกเป็นทีละขั้นเช่นนามรูปะปริเฉทญาณ น, นี่เรารู้เข้าใจดีหรื อ, อยังก็กลายเป็นต้องไปสอบแต่ละขั้นไปเลยอย่างนามารูปะปริเฉทญาณ น, นี่ก็อยู่ในปริญญาใช่ไหม น, นี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองเอาง่ายๆก็คือกำปั้นทุบดินที่วามกีก็คือดูว่าอา้าวเรื่องรูปธรรมนามธรรมหรือเรื่องขันห้าเนี่ยเรา รู้เข้าใจเท่าทันดีแล้วหรือแล้วก็สมุทัยนี่อันนี้เป็นเรื่องประจักษ์แจ้งกันตนเองว่าเรากำจัดกิเลสได้จริงหรือยังว่ากำจัดเมื่อกี้บอกว่าอาวิชชาเพราะตัณหาอันนั้นอาจจะลึกไปเราก็เอาง่ายๆโลภะโทสะโมหะมีวิธีตรวจสอบ ง, ง่ายๆก็ดูสิในใจเรายังมีโลภะโทสะโมหะไหม ถ้าเรายังมีอยู่ก็แสดงว่าเรายังทําหน้าที่ไม่เสร็จใช่ไหมครูก็ง่ายๆนี่ยแหละดูเห็นประจักษ์กับตนเองเลยโกรธเรายังมีไหมโลภเรายังมีไหมโมหะเรายังมีไหมถ้ายังมีก็แปลว่ายังทําหน้าที่ไม่เสร็จแล้วก็ประจักษ์แจ้งผลจิตใจเราไร้ทุกข์ไหมไม่มีกิเลสนะ น, น, นั่นก็ด้านและดูจากปะหานะนั่นก็ด้านหนึ่งแหละ แล้วก็ไม่มีความทุกข์จิตใจปลอดโปรง่งโล่งเบาผ่องใสสงบเย็นเลยแต่อะไรเนี่ยเราได้ไหมบรรลุภาวะเช้นนี้แต่เราไม่จําเป็นจะต้องไปรอถึงขั้นสิ้นเชิงใช่ไหมนะอันนั้นถ้าเรียกว่าสิ้นเชิงเพียงว่าเราได้บรรลุผลแต่ละขั้นเนี่ยวันวันหนึ่งเรารู้จักทําใจให้มีปราโมดร่าเริงเบิกบานปลอดโปร่งพองใสบ้างมีปีติมีปัสสติบ้าง มีใจสงบตั้งมั่นคงบ้างเออเราก็ได้ประจักษ์ผลบ้างแล้วเราก็บอกว่าเราได้ประจักษ์ในระดับหนึ่งยังไม่ถึงกัได้สิ้นเชิงก็ยังดีนะคือเอาเอาอย่างนี้ก็แปลว่าโยมพอจะวัดผลตัวเองได้อยู่ก็วัดผลไปในขั้นแต่ละระดับไปก็อย่างง่ายง่ายเนี่ยเพราะพระพเจ้าจะตรัสบ่อยมากปีที่แล้วแต่มากรยำเนี่ยอยากจะให้โยมจาให้แม่นเลย ธรรมะชุดที่เรียกว่าธรรมะสมาธิห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงพระหรือโยมก็ตามที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าปฏิบัติได้ผลแล้วจิตใจจะเกิดภาวะห้าอย่างเนี่ยหนึ่งปราโมดจิตใจชาวพุทธจะเป็นอย่างนี้หนึ่งปราโมดร่าเริงเบิกบานสองปีติ ความอิ่มใจปราบลื้มใจนะแล้วก็ 3, สมปัสธิความสงบเย็นผ่อนคลายอันเนี้ยถ้าใครปฏิบัติได้อยู่ในโลกสมัยนี้สบายเพราะเขาเครียดกันจังเลยทีนี้คนที่เป็นชาวพุทธนี่จะไม่มีความเครียดมีข้อที่สามเนี่ยปสัสธินพระเจ้าตรัสไว้คู่กันนะมันมีคู่ คือปัสสัิที่นี่มันเป็นรูปนามถ้าเป็นคุณนามมันเป็นปัจสัททะและเจ้าปัสสัททะนี่มันตรงข้ามกับสารัตทะสารัตทะแปลว่าเครียดปัสสัททะก็แปลว่าผ่อนคลายสงบเย็นผ่อนคลายนี้ท่านพูดไว้ว่าคนเนี่ยถ้าเครียดจิตและกายก็จะเครียดด้วย ถ้าเครียดกายก็จิตจะพลอยเครียดด้วยไอตัวเครียดเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกายกับจิตเป็นจุดต่อเลยนะถ้าจิตเครียดกายจะเครียดด้วยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเส้นประสาทอะไรๆไปหมดนนั้นพอเราทาจิตให้ปัธิผ่อนคลายเนะี่ยกายก็จะผ่อนคลายด้วยนียแล้วก็จะดีไปหมด เลือดลมก็จะเดินดีขึ้นอะไรเงี้นะเจ้าน้องนี่เราลงว่าคู่กันนะบาลีพทธเจ้าตรัสไว้เลยเวลาปฏิบัติเนี่ยสารัทะกับปัสรัทธาถ้ายังปฏิบัติผิดอยู่หรือยังไม่ปฏิบัติยังไม่ได้ผลเนี่ยสาระทะก็คือเครียดพอปฏิบัติถูกก็ปัดสรัทธเลยผ่อนคลายก็เอาแล้วนะหนึ่งปลาโมดได้เรื่องเบิกบานใจ สองปีติอิ่มใจปลื้มใจสปัจสพอนคลายสงบเย็นกายใจแล้วก็สสุขพอปัสสถานมาแล้วผ่อนคลายทีนี้ก็สุขช่ำชื่นรื่นใจสุขก็ช่ำชื่นรื่นใจไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรบีบคั้นไม่มีอะไรกดดันขับคล้อง สุขว่าคล่องสะดวกช้ำชื้นรื่นใจแล้วต่อจากนั้นก็สมาธิสมาธิก็จิตตั้งมั่นสงบไม่มีอะไรรบกวนไม่มีอะไรรบกวน ล, ละคลายเครื่องจิตใจเป็นจิตใจที่อะไรอะไรรบกวนไม่ได้อยู่ตัวของมันภาวะที่จิตอยู่ตัวไม่มีอะไรรบกวนนี่เรียกว่าสมาธิแล้ว จิตนั no need, um, ้นอยู่ก kind of right ับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการหมายความว่าเราต้องการจะให้จิตพิจารณาอะไรอยู่กับเรื่องอะไรก็อยู่กับเรื่องนั้นถ้าอยู่ได้เออก็สมาธิอยู่ละอยู่ได้ตามต้องการอีกแสดงว่าสมาธิแข็งถ้าเก่งจริงก็ต้องอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการเนี่ยสมาธิที่เชียวชา ทีนี้พอสมาธิดีจิตก็จะเป็นกรรมนิยะเหมาะกับการใช้งานตอนนี้จะเอาปัญญามาพิจารณาอะไรก็ง่ายเลยเหมือนกับน้ำที่ใส่นิ่งสงบไม่มีตะกอนที่เที่ยวฟุง้งเที่ยวคลุงเที่ยวว่อนไปว่อนมาไปบางโนวดบางนี้ให้พวกฝุ่นละอองตกตะกอนนอนกลนหมดน้าใส่ไม่มีอะไรบงัง เพะก็มองเห็นชัดปัญญาก็อาศัยจิตที่เป็นสมาธินี้พิจารณาอะไรก็มองเห็นชัดเจนตกลงวันนี้จิตที่ดีต้องมีหอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยมากธรรมะชุดนี้ท่าเรียกว่าธรรมสมาธิคือสมาธินี่โยมต้องแยกเป็นสองอย่างเป็นธรรมสมาธิกับจิตสมาธิธรรมสมาธิก็ห้าอย่างนี้หมายความว่าไอ้ธรรมห้าอย่างเนี่ยมัน เข้ามาบรรจบประสานกันมั่นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดจิตตสมาธิก็คือข้อสุดท้ายของห้าอย่างนี้เอาและโยมทวนอีกทีปลาโมดปีติประสัสธิสุขสมาธิแค่ข้อปราโมดข้อเดียวก็ประเสริฐเลิศแล้วพูพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาธรรมบทเนะี่ยตรัสตั้งกี่แห่ง ปราโมชัพาโลพิคุทุกขัดสันตังกริสติภิกษุผู้มากได้ปลาโมดจะทำทุกขให้หมดสิ้นไปว่าั้นเนีฉะนั้นชาวพุทธที่มีจิตใจปราโมดอยู่เสมอเนี่ยเดินทางเข้าสู่วิถีแห่งพระนิพพานเนี่ยอีกแห่งหนึ่งก็ตรัดคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ลงท้ายว่าสังขารูปัสมังสุขขังก็คือว่าผู้ที่มากได้ปราโมดนี่จะได้บรรลุ ความสุขที่ปราศจากการปรุงแต่งที่ระ ง, งับสังขารก็คือบรรลุนิพพานนั่นเองนั้นโยมจะต้องทำจิตให้ปราโมทอยู่เสมออา้าวนี่เป็นบทพิสูจน์เบื้องต้นนะห้าอย่างเนี่ยจำให้แม่นเลยพระพุทธเจ้าตรัสเวลาใครปฏิบัติทมไปแม้แต่ฟังธรรมะของพระองค์พอฟังไปแล้วปฏิบัติถูก พิจารณาเเดี๋ยวจะเกิดปลาโมดปีติปสัสสธิสุขสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมีแต่ทุกข์จะหมดไปสุขมากขึ้นมากขึ้นเพราะทุกข์นะท่านให้เรารู้ถันเท่านั้นนะหน้าที่ต่อทุกข์นะใครจะไปเข้าถึงอริยสัจข้อหนึ่งเป็นทุกข์แล้วก็ยุ่งแล้วใช่ไหมผิดทำผิดหน้าที่หน้าที่อริยสัจเนี่ยไม่ค่อยพูดกันทาให้ปฏิบัติผิด ชัดแล้วบอกทุกขังปริญญายั่งจำไว้เลยทุกนี้ต้องปริญญาต้องรู้เท่าทันมันเอาแล้วนันเลยพอกระแปลงว่าธรรมะสมาธิห้าประการเนี่ยเป็นธรรมะสำคัญต้องยกกันขึ้นมาเน้นแล้วก็ปรับสภาพจิตของเราให้พร้อมพอธรรมะสมาธิมาแล้วจิตจสมาธิเกิดพอจิตจสมาธิเกิดก็น้อมจิต ที่เป็นสมาธินี้ไปใช้ในทางปัญญาก็จเจริญวิปัสสนาก็ก้าวหน้าไปเกิดวิชาถึงวิมุตต์นั่นแหละบรรลุผลตอนนี้พูดมาก็เลยจะเพลงแล้วทีนี้ก็อยากจะฝากโยมอีกนิดหนึ่งคือการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งที่น่าสังเกตคือไม่ว่าเรื่องที่เราถือว่าดีหรือร้ายเนี่ยอยู่ที่การปฏิบัติตอมัน เรื่องร้ายปฏิบัติต่อมันให้ถูกก็กลายเป็นดีใช่ไหมเป็นประโยชน์เรื่องดีถ้าปฏิบัติต่อมนผิดก็กลายเป็นเรื่องร้ายเพราะนั้นจะไปติดว่ามันดีแล้วเราไปยึดว่าดีนี่บางทีกลายเป็นร้ายไปเลยยกตัวอย่างง่ายๆนิวร น, นี่เป็นกิเลส ท, ที่ร้ายมากใช่ไหมนิวรรู้จักใช่ไหมเลยว่านิวรนหนะ้านเอานิวรนหนี่ถ้าเราเอามันมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา พูดให้แคบเข้าไปจำพาะเจอดจงก็คือเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานพูดจะ้จำพาะลงไปอีกก็คือเป็นอารมณ์ของธรรมานุปัสสนานะในธรรมานุปัสสนานี่ไอ้เจ้านิวรณ์นี่มันเกิดขึ้นมาก็พิจารณาดูมันเลยตามดูมันมันตัวร้ายแท้ๆเนี่ยพอธรรมานุปัสสนาไปตามดูมันมันกลายเป็นดีไปเลยกลายเป็นว่าทําให้เกิดปัญญากลายเป็นเครื่องทําให้เกิดความเจริญในการปฏิบัติ ดีไม่ดีก็เลยบรรลุธรรมไปเลยด้วยการดูนิวรนนี่แหละดั น, นั้นก็เลยไอ้เจ้าตัวร้ายนี่ก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมเราใช้ประโยชน์ได้เท่านั้นแหละมันจะดีจะร้ายนี่เอามาใช้ประโยชน์ได้เอาอะเลยวอนี่ตัวร้ายนะเอามาใช้แม้กระทั่งในสติปัฏฐานในธรรมอนุปัสสนาก็ไม่ว่าอะไรละใช้ได้หมดทีนี้ไอ้ทางดีนะถ้าเราปฏิบัติผิดมันก็ร้ายหมดนะ อย่างเราปฏิบัติไปแม้แต่บรรลุธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอาง่ายๆเลยในพระสูตรหนึ่งเรียกว่าสัพพุลิสสูตรเล็กสั้นๆก็คือสูตรที่ว่าด้วยสัตบุรุษอสัตบุรุษก็บุคคลหรือพระภิกษุเนี่ยได้เจริญสมาธิเก่งได้ฉานหรือเป็นนักเทศเป็นธรรมกะถึกเอกหรือเป็นพระภูสูตรมีความรู้ดีอะไรก็แล้วแต่น่ะ เกิดความลำพองตัวเองขึ้นมาว่าโอ้เรานี่เก่งนะปฏิบัติสมาธิได้คนอื่นสู้เราไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสเธอเป็นสัตว์บุรุษเสียทันทีเลยใช่ไหมเลยบ่อนเนี่ยนี่แหละสิ่งที่ดีก็กลายเป็นร้ายไปปฏิบัติตามันผิดหรือว่าพระภิกษุหรือว่าโยมก็ตามปฏิบัติทำไปได้บรรลุโสดาปติผลนะขนาดนั้นนะ่ะ ขนาดได้อริยามาริยผลนะได้บารุโซดาละเกิดความพอใจพระเจ้าใช้คำว่าภิกษุนั้นสันโดษอันนี้ใช้ตามบาลีเนี่ยข้อเสียของคนอ่านพระไตรปิฎกแปลเนี่ยแพ้คนรู้บาลีคือไปอ่านแล้วไม่รู้ว่าศัพท์ของท่านคืออะไรจะอาจจะไปเจอในนั้นก็แปลมาเป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยก็แปลว่า พอใจหรือยินดีแล้วก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าสับอะไรแต่ไปไปดูบาลีนี่ท่านบอกเลยภิกษุสันโดดแล้วภิกษุสันโดดพอใจว่าเออเรานี้ได้บรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วพอสันโดษพอใจเท่านี้แหละพระพุทธเจ้าตัดเธอประมาทาวิหารเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแล้วเนั้นนี่โดนประนามเลยนะแค่เนี้ย ก็ไม่เห็นทำอะไรเสียเลยใช่ไหมเลยบก็แค่ยินดีพอใจสันโดษในธรรมที่บรรลุแล้วเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงติเตียนทันทีเลยเฉยเลยเพราะว่าคนที่ไปพอใจว่าตนได้บรรลุธรรมขั้นไหนก็ตามเนี่ยพอพอใจขึ้นมาเนี่ยจะเฉยพระพุทธเจ้าบอกตราบใดที่ยังไม่บรรลุอาสะวะขยังความสิ้นไปอาสะวะแล้วอย่าได้นอนใจเป็นอันขา ในคาถาธรรมบทก็มีจะได้วรร ล, ลุธรรมแค่ไหนจะได้ฌานได้อะไรได้ความสุขที่เกิดจากเนคข ม, มะอะไรตัวอะไรก็ถึงขั้นไหนก็ตามเนี่ยเป็นอนาคามีอะไรก็แล้วแต่ตราบใดที่ยังไม่ถึงอาสวาัคไขยอย่าได้ถึงความนอนใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าางนั้นนั้นปฏิบัติไปถ้าหากว่าไปพอใจสันโดษขึ้นมาในท่านเรียกว่าสันโดษในกุศลธรรมนะ สันโดษในกุศลธรรมละผิดนะฮะถ้าสันโดษในวัตถุเสบบริโภคถูกต้องถ้าสันโดษในกุศลธรรมละผิดเลยทีนี้ในกรณีนี้ก็คือพระภิกษุนั้นไปสันโดษในธรรมที่ได้บรรลุพรธเจ้าบอกเธอประมาทวิหารเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทเตือนให้เล่งรัดปฏิบัติต่ตอไปเพียรพยายามเนี่ยแค่เนี้ยเห็นมหมคือสิ่งที่ดีนี้ปฏิบัติผิดต่อมันนิดเดียวก็เสียแล้ว หรือความสุขเนี่ยเราได้สุขเราปฏิบัติไปได้สุขที่ดีขึ้นประนีดขึ้นเราไปติดสุขนะั้นปับ๊บเสียทันทีเลยไปติดสุขกเท่านั้นแหละก็เกิดความประมาทเกิดโกสัจฉะอะไรขึ้นมาติดสมาธิติดอะไรก็เสียบทท่นั้นแหละมัวเมาในปัญญาก็ผิดอีกใช่ไหมเลยก็กลายเป็นคนผ่านไปเลยเป็นนักสับรุษ ไม่ได้แถวนั้นก็คือหมายความว่าเราจะต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เรื่อยอันนี้ก็เป็นเครื่องที่จะให้เรารู้จักใช้ประโยชน์หลักการนี้คือปฏิบัติใช้ไม่ว่าดีว่าร้ายให้เป็นใชใ้เป็นประโยชน์ท้าเรียกว่าโยนิสมัสิกานั่นเองไม่ว่ามันจะดีจะร้ายใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้หมดหนึ่งหาความจริงจากมันให้ได้หาความรู้จากมันให้ได้สองหาประโยชน์จากมันให้ได้นี่เรียกว่าโยนิสมัสิการ ไม่ว่าดีว่าร้ายฉันต้องหาทางหาความรู้จริงและหาทางใช้ประโยชน์ให้ได้แล้วไม่มีเสียอันนันก็บอกว่าต้องปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายแล้วจะได้หมดทุกอย่างแต่ถ้าหาว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายก็ตามแม้แต่ดีมากปฏิบัติตามผิดก็เสียอีกแหละเสียหมดอันนันก็เป็นคติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ทำให้เราเนี่ยใช้หลักความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่อยไม่ประมาทนี่ก็คือไม่ประมาทและไม่ประมาทก็ใช้โยนิสมัสิการอยู่เรื่อยโยนิสมัตฑสิการก็ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากทุกอย่างแล้วก็ดาความรู้ได้จากทุกอย่างจเจริญพัฒนาต่อไปวันนี้ก็ได้พูดกับโยมมามากแล้วก็ไม่เห็นโยมถามอะไรเลย <c oughs> มีอะไรไมั่งไหมเลยพ่อ ก็พอดีแล้วเวลาก็เลยเพนไปนิดหน่อยกับในรอเจ็ดนาทีแล้วเป็นอนานุนอาจารย์ระวีท่านจะมาตอนบ่ายอา๋อตลวงไม่เหมาก็ฝากอนุโมทนาท่านด้วยกโมธนาท่านที่มาสนับสนุนโครงการนี้ญาติโยมได้ปฏิบัติกันก็ถือว่าเป็นผู้ ปฏิบัติเองและชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติด้วยทั้งปฏิบัติเองและชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติเนี่ยท่านถือว่าเป็นการที่ทำํำกุศลอย่างสูงนะโยมทุกท่านก็เหมือนกันแหละก็ปฏิบัติเองและชวนกันปฏิบัติเมื่อชวนกันปฏิบัติก็มีสามัคคีเมื่อเกิดความสามัคคีก็เกิดกําลังแข็งขันปฏิบัติก้าวหาญยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่หน้าอนุโมทนาเพราะฉะนั้นอาตมาก่อนนี้ก็ ได้มาพบกโยมชาวธรรมสถานและญาติวิตรทีปฏิบัติธรรม mm hmm. ก็อย่างที่กล่าวข้าต้นแล้วก็อนุโมทนาทั้งศรัทธาและฉันทะพร้อมทั้งคุณธรรมความดีอื่นๆที่เป็นผลจากการที่ได้ปฏิบัติก็หวังว่าโยมปฏิบัติแล้วก็ได้ประจักษ์แจ้งได้สัจชิกิริยาทําผลนั้นให้ประจักษ์แก่นตนเองไม่มากก็ น, น้อย อย่างน้อยก็ผลในจิตใจที่เบิกบานผ่องใสคลายความเศร้าหมองขุนมัวลงมีจิตใจสงบและนอกจากนั้นก็จะมีผลออกมาทางด้านศีลเองเมื่อจิตใจดีแล้วสมาธิดีออกมาทางศีลทางการปฏิบัติกายวาจาก็พล่อยดีสงบเย็นไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและก็คูณต่อกัน ทำใหสังคมของเรานี้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขถ้าแพร่ขยายไปอย่างนี้ก็สังคมเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าสันติภาพแต่ก็คงไม่ใช่แค่สันติภาพเรามีสันติสุขที่เดียวแหละแล้วก็สิ่งหนึ่งที่โยมคิดว่าได้แน่ก็คือปัญญาแล้วปัญญาตัวนี้จะมาเป็นตัวหนุนให้จิตของเราก็จะพัฒนาก้าวหน้าไปสีนิของเราก็จะพัฒนาก้าวหน้าไป ก็คือไปได้วยกันทั้งหมดทั้งชุดนั่นแหละทั้งศีลสมาธิปัญญาวันนี้ัตรมภาพในนามของพระสงฆ์และพุทธบริษัทก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันจบครบส2บสองครั้งของคณะโยมผู้ปฏิบัติก็ได้เจริญกุศลมาจนครบเวลาก็ถือว่าเป็นผู้มีความเพียรพยายามเข้มแข็งแล้วก็ยังสืบต่ อ, อยางที่ว่าจากปีที่แล้ว ส่วนกายข้างหน้าก็เป็นเรื่องที่จะได้ตกลงกันดําเนินต่อไปแต่เฉพาะบันนี้ก็ขออนุโมทนาไว้แล้วก็ขอตั้งใจปรารถนาดีต่อกันความปรารถนาดีต่อกันที่เรียกว่าเป็นพรเกิดขึ้นมาแล้วก็ใจสบายก็คือทําให้ชวนกันให้เกิดกุศลนั่นเองถ้าจมาให้พรก็คือตั้งใจเป็นเมตตาต่อญาติโยมและโยมก็เมื่อได้ ตั้งใจรับผ่อนนั้นก็ทำใจให้เป็นกุศลไปด้วยให้แช่มชื่นแบบบานผ่องใสก็ขอคุณพระรัตนใจอภิบาลอวยชัยให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธั์พรมีความร่มเย็นงอกงามในธรรมะของพระสมมัติสัพพุทธเจ้ามีความสุขมีความเจริญงอกงามในชีวิตของตนในครอบครัวในชุมชน ในหน่วยงานองค์กรต่างๆจนกระทั่งถึงสังคมส่วนรวมแล้วก็แพ่ความสงบลมเย็นนี้ไปแก่ชาวโลกด้วยให้โลกที่กำลังมีปัญหากันมากมายนี้ได้ผ่อนคลายลงบ้างก็จะเป็นแรงอย่างน้อยก็มาดูนกันไว้ก็ขอให้อย่างน้อยในใจของทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีความสุขที่ เป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นคือเป็นความสุขที่เป็นนิรามิตรอิงอาศัยขึ้นต่ออามิตรน้อยลงเป็นอิสระเป็นไทยแก่ตนมากขึ้นเป็นสุขที่แท้จริงก็จะเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยของพระสมมาสพระพุทธเจ้าก็ขอทุกท่านจงได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติได้บรรลุผลอันดีงามดังที่กล่าวมานี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกเมือ่อเทิน